และพวาสวะอาสวะคือพบความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งตนแต่เป็นเราเป็นของเราด้วยอำนาจของความยึดถือ แต่เมื่อมีเป็นเราเป็นของเราก็ต้องมีความกระทบกระทั่งเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปฏิคาอนุสัยอนุสัยกิเลส ท, ที่นอนจมอยู่คือปฏิฆะความกระทบกระทั่ง เพราะว่าเมื่อเป็นเราเป็นของเราอันเป็นภาะวาสะสวะขึ้นแล้วก็ต้องมีความรักในเรารักในของของเราอันเป็นตัวกรรมและตัวราคะดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้ จึงมีปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งเพราะว่ามีอะไรที่ผิดใจอันหมายความว่าผิดต่อความต้องการผิดต่อความรักผิดต่อความใคร่ ก็กลายเป็นความกระทบกระทั่งเป็นจนวนของความโกรธของโทสะและอวิชชานั้นก็เป็นอวิชชามนุสัยอิเลสที่นอนเนื่องอยู่คืออวิชชาฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงอาสวะไว้สามอิเล ท, ที่เป็นเครื่องดองจิตหมักผมจิตคือกามอาสวะอาสวะคือกรรมภาวะาสวะอาสวะคือพบอวิชชาาสวะอาสวะคืออวิชชา และก็แสดงอนุัยไว้สามเหมือนกันก็คือราคานอนุใสอนุัยคือราคะก็ตรงกันกันกบกามสวะปฏิคานอนุัสอนุัยคือความกระทบกระทั่งก็สืบเนื่องกันกันกนกบอวาสวะอาสวะคือพบ กับอาวิชาอนุสอันตัไวอนุใสคืออวิชาก็เป็นอย่างเดียวกันกันกบอาวิชาสะวะนี่เป็นกิเลสที่กล่าวได้ว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียดอันมีประจำอยู่ในจิตของบุทุชนสามัญชนหรือของชาวโลกทั่วไป และกิเลสที่เป็นอาสวะอนุัยเหล่านี้ดังที่ได้แสดงแล้วว่าเหมือนอย่างเป็นตะกรนที่นอนอยู่ก้นตุ่มเมื่อยังไม่ฟุ้งขึ้นมาน้ำในตุ่มก็ดูใสสะอาดเหมือนอย่างเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ แต่ความจริงไม่ใช่เพราะยังมีตะกอนนอนอยู่ก้นตุเมื่อไปกวนน้ำในตุมให้หวันไหวตะกอนก็ฟุ้งขึ้นมาทำน้ำให้ขุนเจ็ดก็ฉันนั้นเมื่อยังไม่มีอารมณ์มากระทบ อาอน์ุสัยเหล่านี้ก็นอนจมอยู่เฉยๆเก็บตัวอยู่เฉยๆไม่ปรากฏคล้ายๆกับว่าเหมือนไม่มีกิเลสดั้นเมื่อจิตนี้กระทบอารมณ์ อารมณ์นั้นก็ด้เกี่ยวเรื่องเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงอันเป็นเรื่องที่ผ่านเข้ามาทางทางวารทั้งหก คือทางตาทางหูทางจมูกทางเล่นทางกายและทางมนะคือใจอารมณ์เหล่านี้เมื่อเข้ามาสู่จิตก็มากวนจิตให้วันไหว กิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยจึงฟุ้งขึ้นมายกเอาอนุสัยเป็นที่ตักราคานุสัยอนุสัยคือราคะก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นกามะชันความพอใจรักใคร่ในกามหรือเรียกว่าราคะก็ได้แต่แปลว่าความยินดี หรือความกำหนัดติดใจปฏิคานอนุสัยอนุสัยคือปฏิฆะก็พุ่งขึ้นมาเป็นโทสะความโกรธอวิชชาสวาสวะคืออวิชชา ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นโมหะคือความหลงถือเอาผิดกามฉันหรือราคะกับโทสะในโมหะนี้เป็นอาการของจิตที่ปรากฏแก่ทุกๆคน คือแก่ความรู้ของทุกๆคนทุกๆ ค, คนเมื่อมีกิเลสเหล่านี้บังเกิดขึ้นก็รู้ใจของตัวเองว่าบัดนี้การมาชั้นหรือราคะบังเกิดขึ้นแล้วโทสะบังเกิดขึ้นแล้วโมหะบังเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า น, นิวรณ์ที่แปลว่า กิเลสที่กั้นจิตไว้ไม่ให้ได้สมาธิและทำให้ปัญญาอ่อนกำลังหรือเรียกว่าปรยรจฐานะคือกิเลส ท, ที่ปล้นจิตกลุ่มรุมจิตเพราะมันเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจทำจิตใจนี่ให้ ไม่สงบให้วันไหวให้ดินร้นด้วยความรักบ้างความชังบ้างความหลงบ้างต่างๆแต่ว่าก็ยังเพียงบางเกิดอยู่ในจิต แต่ว่าเมื่อไม่สงบถูกสนับสนุนให้แรงขึ้นราคะเรือกรรมฉันนั้นก็แรงขึ้นเป็นตัวอภิอาอาชา ความโลภเพ่งเลงเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของของตนหรือโลภเพ่งเลงเอาของของผู้อื่นบุคคลของผู้อื่นมาเป็นของตนโทสะก็แรงขึ้นเป็นพยาบาทคือความปองร้ายมุ่งร้ายโมหะก็แรงขึ้นเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากํานองครองธรรม เมื่อเป็นดังนี้ก็เรียกว่าเกิดเป็นมนโนกรรมกรรมทางใจที่เป็นไ้อากุศลอันจะก่อให้เกิดกายกรรมกรรมทางกายว้จีกรรมกรรมทางวาจาที่เป็นอากุศลสืบเนื่องกันไป การปฏิบัติผิดศีลทุกข้อปาณาฏิบัติฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทาธทินนาทานลักทรัพย์การเมสุมิชาชานประพิตผิดในกามมุสาวาตผุดเท็จรวมทั้งดื่มสุราเมรัย ก็ล้วนบังเกิดขึ้นเพราะกิเลสที่ปรากฏอย่างแรงคือเป็นอภิชาความโลภเพ่งเล็งเป็นพยาบาทความมุ่งร้ายปองร้ายหมายลางพลานเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดทั้งนั้นระฉะนั้น ปานาติบาตข่าสัตว์ตัดชีวิตอธินาทานลักทรัพย์กาเมสุมิชฌาจาย์ามุพิฏฐิในกามมุสาวาตผูดเท็จพระพุทธเจ้าถึงเ ร, รเรียกว่ากรรมกิเลสกิเลส ท, ที่ปรากฏเป็นตัวกรรมออกมาถึงเป็นกิเลสอย่างยาบะัะนั้น ความบังเกิดขึ้นของกิเลสความลุกลามของกิเลสในจิตใจนี้จินเป็นไปดังที่ได้แสดงมานี้พระพุทธเจ้าได้ทรงกาจัดข้าึกคือกิเลสนี้ได้สิ้นเชิงทรงกาจัด พาสุคือกิเลสที่เป็นอย่างหยาบได้ด้วยศีลที่เป็นอย่างกลางคือเป็นขั้นนิวรณ์หรือปริยุท ธ, ธานะที่มันเกิดขึ้นรุมรวมจิตด้วยสมาธิในการกำจัดกิเลสที่เป็นขั้นอาสวะอนุสัยที่นอนจมมักพรมอยู่ด้วยปัญญาแต่อันที่จริงนั้น แต่ละข้อนี้ที่ว่ากล่าวว่าด้วยศีลนั้นก็ต้องมีสมาธิปัญญาประกอบด้วยที่กล่าวว่าด้วยสมาธินั้นก็มีศีลและปัญญาประกอบด้วยและที่กล่าวว่าด้วยปัญญาก็ต้องมีศีลมีสมาธิประกอบด้วยแต่ว่ายกเอาข้อใดข้อหนึ่งเคยเป็นหัวหน้าเท่านั้นทรงกําจัดทรงทำลายข่าสึกเหล่านี้ได้หมดสิน้น เพราะฉะนั้นจึงทรงเป็นภูมิอิสระเสรีอย่างเต็มที่ไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสไม่ต้องตกเป็นทาสของตันหาไม่ต้องถูกกิเลสถูกตันหาครอบงำบังคับขับไสต่างๆทรงเป็นอิสระเสรีอย่าง บริบูรณ์เพราะฉะนั้นยึงได้พระนาวมว่าอารหังต่อไปนี้เขาขอให้ตั้งใจฟงังสลดตั้งใจทมความส ง, งบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตและสมมาสัมพุทิเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางพระธรรมและประสงค์เป็นสารณนะ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 ในความหมายว่าภูหักํำแห่งสังสารจักรํานี้ มีความหมายที่ลุ่มลึกทั้งมีศัพท์ที่ควรจะอธิบายที่ว่าลุ่มลึกนั้นอันที่จริง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 ก็ยางยิ่งลึกก็อย่างยิ่งและให้ผลก็อย่างยิ่งแม้ว่าจะมีลักษณะดังกล่าวก็อาจอยังถึงได้ ด้วยปัญญาที่ยังรู้เหมือนอย่างมหาสมุทรแม้จะลึกซึ้งเท่าไรก็อาจที่จะวัดได้ด้วยเครื่องวัดที่สามารถยังถึงส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทร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 แปลกันวัาใจผู้มีใจสูงแปลว่าความรู้ก็แปลว่ามีความรู้สูงเพราะฉะนั้นจึงอาจที่จะอบรมความรู้ที่มีอยู่เป็นพื้นที่เป็นสชาติปัญญา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 ที่เข้าใจว่ายากก็จะเหมือนกับง่ายในเมื่อได้อบรมปัญญาคือความอย่างรู้ให้อย่างไปโดยลำดับเหมือนอย่างการขึ้นบันไดสู่ที่สูงถ้ามองดู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 ที่เป็นขั้นขั้นขึ้ น, นไปแม้ว่าขั้นต่ำสุดกับขั้นสูงสุดจะห่างไกลกันเท่าไหร่ก็ตามเมื่อขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็เหมือนง่ายก็จะขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดได้และก็ถึงที่สูงสุดที่ต้องการฉะนั้น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 ของความหมายแห่งพระคุณบทอรหังว่าโพหักกรรมแห่งสังสารจักสังสาระหรือสงสารแปลว่าทองเที่ยวไปจักก็คือจักกะ หรือจักระที่แปลว่าล้อล้อแห่งเวียนล้อแห่งรถก็เรียกว่าจักรคือจักระหรือจักระสังสารจักร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 เป็นต้นกงคือชารามรณะซึ่งหมายรวมถึงโสกะปริเทวะเป็นต้นด้วยก็เป็นเหมือนกงเป็นปลายส่วนกรรมก็เหมือนอย่างปัจจยาการที่เหลือทั้งหมด ระหว่างอาวิชชาและชรามารณะรอมทั้งโสกบาริเทวะเป็นต้นในความหมายแห่งพระพุทธคุณบทนี้ที่ว่า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 หมุนไปไม่ได้จึงทำให้ต้องหยุดการท่องเที่ยวไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงละ อวิชชาดับอวิชชาและดับปัจจยากาัรขถัดจากอาวิชชาไปโดยลำดับจนถึงดับชรามรรณะพร้อมทั้งโสกับบริเทวะเป็นต้นจึงเป็นอันว่า ได้ทรงหักกรรมและเมื่อหักกรรมได้ก็เป็นอันว่าหักดุมหักกรงของล้อนี้ได้ทั้งหมดเป็นอันว่าหักทำลายล้อ ที่ให้ท่องเที่ยวไปได้ทั้งหมดก็คือทรงดับกิเลสและกองทุกข์ไดทั้งหมดนั่นเอง